นั่งสมาธิเอาขาขวาอับขาซ้ายวางไว้บนตักเอามือขวาหายทับอับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตาหลับตาไว อ่อยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกอ m a z i n สา ม, มารถกำหนดรู้ได้ก็ให้หายใจลึกๆสักสองสามครั้งหายเต็มปอดนั่นแหละหายใจให้เต็มปอดนั่นแหละเวลาลมเข้าลมออก กระทบตรงไหนให้ตั้งสติคอยรู้ลมอยู่ตรงนั้นเวลาลมเข้าเราก็รู้ว่าลมเข้าเวลาลมออกก็ให้รู้ว่าลมออก ตลอดเวลาที่ปฏิบัติก็ตั้งสติคอยรูลยยออล้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละลมหายใจเข้าให้คอยดูคอยดูอารมณ์กระทบตรงไหน ให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาว คือให้คอยรู้ลมลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นให้คอยรู้ลมอย่างนี้แหละไว้ ถ้าจิตสงบแล้วถ้าสงบละเอียดลงไปเราก็จะเห็นว่าลมแทบจะไม่มีแต่ก็ต้องตั้งสติรู้ลมไว้อย่างนั้นแหละอย่าทิ้งลมหายใจ ให้ฝึกหัดอยู่อย่างนี้ใช้เวลาสำหรับทำกิจให้สงบเป็นสมาธินี่สักสามวันเหลือจากนอกนั้นค่อยว่ากันเรื่องอื่นต่อไปอีกคือเรื่องสมาธิวิปัสสนามกผลนิพพาน ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดถึงงานไม่ต้องคิดถึงหน้าที่เราทิ้งหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นอะไรก็ตามเราทิ้งหมดเราเลือหมด ไม่เอามาใส่ใจของเราให้มีแต่สติกับลมเท่านั้นอยู่ในใจของเราใจเราคอยรู้คอยเห็นลมเข้าออกอย่างนี้แหละเป็นประจำจึงจะชื่อว่าฝึกหัดสิ่งที่มีจิตมีใจ เขายังดัดได้แก้ได้เช่นไม้ตัดออกมาจากป่ามันคดมันโค้งมันงอตรงนั้นงอตรงนี้เขาก็ถากให้มันตรงเป็นอันเดียวกันทำเป็นเสาเรือนเสาเขื่อนต่างๆได้ มันยังฝึกได้หัดได้หรือว่าทำตามที่เราต้องการได้ส่วนใจของเรามันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปต่างๆเราไม่ต้องให้มันคิดให้มันมารู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวทำไมจะฝึกไม่ได้เพราะเรามีจิตมีใจ ขนาดไม้ยังสามารถเอาดัดเป็นลูกศรได้ลนไฟให้ร้อนแล้วก็ดัดให้ตรงเป็นลูกศรสามารถยิงสัตว์ได้ยิงคนได้ยิงต้นไม้ได้ยิงอะไรอไรเป้าหมายต่างๆได้หมดถูกต้องตามความต้องการของผู้เป็นเจ้าของหรือของผู้ฝึกผู้หัดผู้ดัดผู้ แก้ไขเรามีจิตมีใจอยู่เราจะหัดจิตหัดใจของเราในีให้สงบเราจะทำไม่ได้หรือในเวลาเจ็ดวันแปดวันนี่เราจะฝึกหัดไม่ได้หรือคิดว่าต้องได้แน่นอนทุกท่านทุกคน ฝึกให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแหละเราอาจจะเคยปฏิบัติวิธีต่างๆมาแล้วมากมายก็ตามก็ไม่เป็นไรวิธีไหนก็ใช้ได้หมดนั่นแหละขอให้ทำให้มันถูกแต่คราวนี้เรามาหัดที่นี่ลองหัดกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกดู ลมหายใจเข้ามันยาวเราก็รู้ว่ามันยาวเวลาลมออกก็กำหนดรู้ว่ามันสั้นหรือมันยาวแต่โดยปกติคนปกติไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยนั้นจะหายใจยาว แต่ถ้าตื่นเต้นตกใจหรือกลัวลมจะหายใจสั้นลมหายใจจะสั้นให้คอยดูลมเรื่อยๆไปยืนอยู่เดินอยู่ทำธุระหน้าที่อะไรอยู่ก็ให้คอยกำหนดรูลมหายใจเข้าออกนี้ไว้ให้ดีเราจะกินจะดื่ม ก็ให้คอยรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเอาไว้เราทำสิ่งไหนอยู่ก็ตามถ้าพอจะกำหนดรู้ลมได้ให้กำหนดรู้ลมอยู่เรื่อยๆใช้เวลาอบรมจิตที่ยังไม่สงบให้สงบได้ใช้เวลาประมาณสามวัน ฝึกหัดจิตของเราให้สงบไม่ฟุ้งซ่านคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่แต่กับลมหายใจนะั้นจนมันวางลมหายใจไม่มีอะไรเลยก็ให้กำหนดความรู้ไว้ยอย่างเดียวตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดนั้น เรายังอยู่ในการกําหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ให้หัดอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวต้นจมูกกลางจมูกปลายจมูกเรากําหนดรูลมได้ตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้น การกำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดเป็นสูตรสูตรหนึ่งหเป็นหมวดหนึ่งเป็นข้อความอันหนึ่งเป็นเป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ละเอียดตั้งแต่ก า, ายาคตาโนสติจนถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมมีทั้งหมดส6บขั้นตอนแต่เราฝึกหัดในเราฝึกอยู่เฉพาะลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้น เรารู้อยู่เพียงเท่านี้ไม่ได้ฝึกทั้งหมดแต่ถ้าสามารถทำเป็นในตอนนี้แล้วเราก็จะกำหนดรู้ได้จนตลอดเรื่องเลยจะสามารถทำจิตนี้ให้สงบได้และสามารถรู้ตลอด จนทั้งหมดจนํำระจิตให้บริสุทธิ์เป็นพาระอรหันต์ได้ทีเดียวคืนวันเพ็ญเดือนหกก่อนพุทธศักราชส5สบหปีพระพุทธเจ้าอายุ36ปี ได้ฝึกปฏิบัติโดยการกำหนดลู่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ตลอดทั้งหมดสิบหขั้นตอนจึงได้เทศนาไว้ว่าเรียกอาณาปานสติสูตรพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จอันนี้แหละเมื่อสำเร็จก็ได้วิชาสาม บุกเพนิวาสานุสติญาณาญาณอย่างรู้ในอดีตแต่ละภพแต่ละชาติที่เกิดมาพองรู้หมดพอจิตอันอนี้สงบแล้วนะยูตุปาตญาณรู้จักว่าสัตว์จุติอุบัติบังเกิดณที่ไหนอย่างไร พอจวนจะสว่างอรุณจะขึ้นพระพุทธเจ้าได้ชัยชนะคือสามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ขึ้นจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าสูงสุดเรียกอาสวัคยายาน ยานที่ทำอาสวะให้สิ้นคือพูดง่ายๆว่าสามารถชำระกิเลสออกจากใจได้หมดสิ้นเลยไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีอวิชชาตัณหาใดๆเลยจิตถึงความบริสุทธ ด้วยวิธีปฏิบัติอนาปานสตินี้ต่อมาพระองค์จึงในเทศสอนให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติในอนาปานสติสูตรนี้อันนี้อยากให้ฟังว่ามีอะไรบ้างขอนิมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมอ่านพิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สงใหญ่ก็อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร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 ตั น, นั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายต้องปปวงหายใจเข้า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 ให้ระงับอยู่หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกโดอย่อมทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิต หายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิต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 ให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งหายใจออกถ้าย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้า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 ให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเตย้อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจําหายใจเข้า ให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจําหายใจออกเธอย่อมทําการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจําหายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจํา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 กระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สงใหญ่ดังนี้ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดพระพุทธเจ้าทาผ่านมาหมดจนถึงอันสุดท้ายสละออกมดจากใจ ไม่มีกิเลสน้อยใหญ่ในใจเลยละเอียดละ อ, อ่ทุกแง่ทุกมุมอาณาปานสตินี้เป็นยอดของกรรมฐานทั้งบ่วงถ้าเราฝึกได้ ใจเราจะสงบเย็นสบายไม่มีความกังวล ใ, ใดๆทั้งสิ้นปล่อยวางได้หมดให้จำวิธีปฏิบัตินี้ไว้ถ้าไม่สามารถจำได้ทั้งหมด คอยคอยลู้ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ก็พอสามารถทำจิตของเราที่ไม่สงบให้สงบลงได้มีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่มีผลมากมีอนิสงส์มาก จิตเราที่ไม่สงบถ้าฝึกปฏิบัติอนาปานสตินี้จิตจะสงบจะเป็นสมาธิขึ้นมาร่างกายจะเบาสบายเย็นมีความสุขภายในไม่กังวลเรื่องหลายๆทั้งสิ้น